รบูชาพระรัตนตรัยประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ <c oughs> ข้อกาบกค า, การวะหลวงพ่อพเทียนหลวงพ่อพคำเขียนละหลวงพ่อพกลมที่เป็นประธานส่งในที่นี้และข้อกาบค า, ารวะอาจารย์ทรงศินที่ได้ให้โอกาสในการที่ได้มาพูดคุยกับพวกเรา แลวก็ขอแสดงความเคารพในเพื่อนสาธมิกแล้วก็ขอเจริญพรแหม่ชีและก็อุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุขโตในช่วงช่วงเวลานี้ก็นั่งตามสบายนะวันนี้รู้สึกอากาศอากาศมันหนาวเย็นนะ เสียงก็เลยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เสียงแง่แผ่เแง่งดูเทอร์โมมิเตอร์แล้ววันนี้ทั้งวันประมาณ24องศานะก็อากาศวันนี้ค่อนข้างหนาวเย็นก็เลยทำให้เสียงอาจจะแหบแพ่งไปนิดนึ่งเออเมื่อพูดถึงการปฏิบัติทรมแล้วเนี่ยนะก็เข้าใจว่า ทุกท่านนะก็ได้หลักการปฏิบัติหรือว่าแนวทางนะที่หลวงพ่อคำเขียนก็ดีพระอาจารย์ทรงศิลก็ดีได้แนะนำพวกเราแล้วก็ได้ลองไปปฏิบัติกันแล้วนะก็คงจะมีประสบาการณ์กันพอสมควรสิ่งที่จะพูดคุยกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยน ประสบการณนะ์ซึ่งก็อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะาจากการที่ได้ไดเรียนรู้ได้ฝึกปฏิบัติเนี่ยนะก็ทำให้รู้ว่าการเรียนรู้เรื่องของกายเรื่องของใจเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นมีความฉลาดขึ้นนะ ความฉลาดนี่ก็คือฉลาดต่อสิ่งที่ปรากฏขึ้นมานาไม่พาให้เราหลงนะหรือว่าจมอยู่ในปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะเข้าใจว่าเมื่อมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีความสงบมีความปลอดโปร่งโล่งอกโล่งใจไม่มีความทุกข์เลย แต่เมื่อมาฝึกปฏิบัติกันจริงๆแล้วก็ปรากฏว่าทั้งง่วงนอนทั้งฟุ้งซ่านทั้งปวดเมื่อยนะมันมาเสนอหน้าให้เราได้ดูหลายคนก็ไม่อยากที่จะพบกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราทำถูกหรือเปล่าทำไมฟังที่ครูบาอาจารย์พูดแล้วมันมันรู้สึกปลอดโปร่งสบายมันไม่ยากเลย นะก็บางทีก็พยายามปฏิเสธในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ไม่เรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ตัวผมเรียกทำไมเองในในช่วงแรกๆที่ฝึกปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นนะหนักคือเราเข้าใจว่าการฝึกปฏิบัติก็คือการที่เราจะมีความสุขนะเราจะมีความปลอดโปร่งลงลงใจอยู่ตลอดเวลานะแต่ความจริงไม่ใช่ มันก็มีบ้างเป็นบางครั้งนะมีเป็นบางครั้งบางเวลาบางโอกาสที่มันเป็นความประจบเหมาะนะที่มันจะมีอาการเหล่านั้นขึ้นมาตอนแรกๆไม่รู้เราก็เออเนี่ยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ที่เราต้องการเป็นสิ่งที่เราชอบเราอยากให้มันเกิดอยู่กับตัวเราตลอดเวลาแต่ความจริงมันมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มัน แปลเปลี่ยนได้นะนีมันมันไม่ไม่แน่นอนตายตัวนะเดี๋ยวปลดโปร o งล่งใจเดี๋ยวก็อึดอัดเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ง่วงนอนนะหรือบางทีทํานานๆก็ปวดก็เมื่อยนะจริงๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาตนะิธรรมชาติที่มันจะแสดงตัวเราเดินมากๆเราก็ต้องปวดต้องเมื่อยนะเรานั่งนานๆก็ปวดก็เมื่อย เพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือธรรมชาติที่มันแสดงตัวนี่แหละนะในส่วนของความทุกข์ทางกายเนี่ยนะเราก็บรรเทามันนะมันนั่งนานๆมันปวดเมื่อยนะเราก็เปลี่ยนอิริยาบถบ้างแต่ว่าการเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเราอย่าไปทําตามความอยากนะคือพอปวดเมื่อยปุ๊บเปลี่ยนทันทีเลย นะตรงนั้นสติมันอจะหลุดไดนะ้ความรู้สึกตัวจะหลุดไดนะ้ก็เปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวนะก็เปลี่ยนบรนทวไปแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงพอเราปวดเมื่อยแล้วพอมันเปลี่ยนแปลงไบมันรู้สึกเออเบาสบายร่างกายมันสบายขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะสังเกตไดนะ้หรือบางคนลองดูซิมันจะปวดเมื่อยขนาดไหนแล้วใจเราจะเป็นอย่างไร นะบางคนก็ปล่อยวางได้ก็ปวดเมื่อยไปแตนะ่บางคนก็จะทดสอบทดลองอย่างนั้นอนะันี้ก็เป็นเป็นแบบทดสอบแบบทดลองแบบที่เราจะเรียนรู้ได้นะเพราะฉะนั้นในส่วนของกายเนี่ยนะเป็นส่วนที่เราจะเห็นได้ชัดๆการเจริญสติตามแนวสติปัฏฐาน4ี่ที่หลวงพ่อเทียนไ ด, ได้ได้นำเสนอไว้เนี่ย เ, เป็นวิธีการที่ที่ง่าย แล้วก็อาศัยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดๆก็คือกายนะเป็นมันเป็นรุน่นเป็นก้อนนะซึ่งมันเจนได้ชัดเจนนะกว่าลมหายใจนะแต่ไม่ได้บอกว่าลมหายใจไม่ถูกนะก็ถูกนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าบางคนใช้ลมหายใจเนี่ยก็จะจะสงบได้ง่ายและบางทีก็จับต้นจนไปลายไม่ถูก แต่ถ้าเราใช้กายที่เคลื่อนไหวมีความรู้สึกกับกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันจะชัดเจนนะมันจะชัดเจนเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะแล้วโอกาสที่จะหลงเนี่ยก็มีน้อยกว่านะมีน้อยกว่ารมหายใจอันนี้จากประสบาการณ์ของตัวเองนะแต่ว่าคนอื่นอาจจะอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าตัวกรผมเลือกทํามาเองนะเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วก็เคยได้ฝึก อานาพนาสติกับรุ่นพี่คนหนึ่งนะก็คือพี่สุภวรรณกรีนเนี่ยปัจจุบันคือสุภวรรณกรีนก็ได้เรียนรู้อานาพนาสติแล้วก็มีได้สัมผัสกับความอิ่มอกอิ่มใจความปิตินะแต่มันก็เป็นช่วงขณะที่เรานั่งนั่งหลับตาเท่านั้นเองแต่พอเราตื่นขึ้นมาเราไปทํานู่นทํำนี่ความรู้สึกนี้มันก็หายไปสติที่เราได้มันก็หายไป แต่เมื่อได้มาเรียนรู้นะจากการเคลื่อนไหวนะกับกายเนี่ยนะโดยเฉพาะการเดินจงกรมเนี่ยนะสติมันเกิดขึ้นแล้วมันอยู่ในนานสมาธิที่เกิดขึ้นมันอยู่ในนานแม้ว่าเราจะเดินไปออกจากที่เดินจงกรมแล้วความรู้สึกตัวมันก็ยังยังยังใช้ได้อยู่นะยังติดตัวอยู่ก็ยังใช้การไดนะ้ซึ่งก็แตกต่างจากที่เคยได้ฝึก โดยใช่ลมหายใจนะเอ่อทีนี้การฝึกจเจริญสติที่เราทำกันเนี่ยนะจุดเริ่มต้นเนี่ยทำที่กายก่อนนะมันจะชัดเจนดูกับผมนิสิต ม, มาเองแต่ก่อนนะก็ไม่เข้าใจนะฟังหลวงพ่อเทียนก็ไม่ชัดเจนนะเป็นเป็นความเป็นความไม่เข้าใจของเราเองนะไม่ใช่เป็นเรื่องของครูบาอาจารย์นั้นพูดไม่ถูกหรือท่านพูดผิดอะไร เ, เราไปเข้าใจว่าฝึกสติครั้งแรกเนี่ยเราไปดูจิต ด, ดูใจดูความคิดเลยนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยความรู้สึกตัวของเรายังไม่ชัดเราถลำเข้าไปดูความคิดเนี่ยมันก็จะถลำจมไปในความคิดแล้วก็จมไปในอารมณ์ที่ความคิดมันปรุงแต่งขึ้นมามันก็จะมีอาการมึนๆ ม, นะมีอาการหนักๆ ห, หัวนะแล้วก็บางทีก็ ไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยมีความรู้สึกตัวชัดเจนได้มาพบหลงพ่อคำเขียนนี่แหละนะท่านแนะนำว่าในเบื้องต้นนั้นให้เรามีความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนให้ชัดนะทำตรงนี้ให้มันชัดก่อนเมื่อความรู้สึกตัวที่กายชัดแล้วนะมันก็จะไปรู้ความคิดรู้ความรู้สึกรู้อารมณ์คนะิดเกิดขึ้น ได้ชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นคนคนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปสนใจความคิดหรือไปสนใจอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในตัวเราให้กลับมารู้สึกตัวที่กายก่อนนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นฐานที่มั่นสําคัญที่จะพัฒนาความรู้สึกตัวให้ชัดเจนขึ้นทีนี้ความรู้สึกตัวมันมันจะชัดเจนขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมี มันจะมีสัญญาณที่เราสามารถเจนได้ง่ายก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเคยใจล่องลอยนะหรือบางทีก็ไม่ค่อยได้สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวนะหรือสิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนะเราพอเรามีความรู้สึกตัวชัดแล้วเนี่ยเราจะมาสนใจในสิ่งเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งการยกมือ การเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกชัดขึ้นลมพัดเย็นๆพัดมาถูกกายเราสัมผัสเราก็เริ่มรู้สึกชัดเจนขึ้นเสียงนกนะซึ่งเราไม่เคยสนใจเสียงมแมลงกรีปีกนะเวลาค่าคืนนะเราก็ไม่เคยได้สนใจสิ่งเหล่านี้มันจะเริ่มเข้ามาหรือแม้แต่กลิ่นดอกไม้อ่อนๆนะเราก็จะได้กลิ่นนะในป่าอันะนี้เป็นสิ่งที่ เรียกได้ว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันเริ่มที่จะทํางานนะแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อเนี่ความรู้สึกตัวมันมันจะชัดเจนขึ้นหรือแม้แต่การรับทานอาหารนะแต่ก่อนเนี่ยบางทีเราก็เคี่ยวข้าวไปด้วยแล้วเราก็คิดไปด้วยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เดี๋ยวเออกินเสร็จแล้วเราจะต้องไปทไําไอ้นู่นทําไอ้นี่นะเราก็ไม่ได้รับรสของอาหารที่แท้จริง หรือบางทีเราก็เคี้ยวไปโดย อ, อัตโนมัติอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อสักครูน่นี้บางทีคำหนึ่งเราเคี้ยวเพียงแค่10หรือ20ครั้งกือละนะซึ่งตรงนี้กเ็เราพลาดโอกาสนะในในการรับรถจากอาหารนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราฝึกสติชัดแล้วเนี่ยมันก็จะไปรับรถเหล่านี้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือแม้แต่การกระพริบตา นะแต่ก่อนเราไม่เคยสนใจนะมันก็จะเริ่มสนใจลหมหายใจซึ่งมันเบามันบางหรือมันไม่เคยสนใจนะมันก็จะชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นการฝึกด้วยการเคลื่อนไหวนะมันก็จะไปส่งเสริมอานาพนาณสติที่คนที่บางคนเคยฝึกมาแล้วนะก็จะชัดเจนขึ้นนะตรงนี้จากความรู้สึกทิกายเนะีนะ่ยมันจะเข้าไปรู้นะในสิ่งที่เลียดอ่อนเข้าไป นะความปวดความเมื่อยความเย็นร้อนอ่อนแข็งนะที่เราสัมผัสนะหรือที่เราอยู่ในปัจจุบันนะตรงเนี้ยสติมันเริ่มทำงานแล้วนะเราก็เริ่มรู้ชัดขึ้นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยบางคนมาถามเอ๊ะมันเป็นยังไงความรู้สึกมันเป็นยังไงยังสงสัยอยู่อะไรอย่างเนี้ยนะนี่เราสามารถที่จะสังเกตแล้วก็ดนะูภาวะต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น อันนั้นแรกเรียกว่าสติเราเริ่มชัดเจนฉับไวขึ้นนะแล้วก็เริ่มใช้การได้นะตรงนี้เนี่ยเมื่อเราชัดเจนกับความรู้สึกที่กายแต่แน่นอนนะในช่วงนั้นเนี่ยความรู้สึกสุขทุกข์มันก็ยังมีมีมีมาเป็นครัง้งคราวความคิดมันก็แวบแวบมานะบางทีเราก็เผลอคิดไปกับเรื่องนั้นเผลอคิดกลับไปเรื่องนี้ ก็เป็นธรรมดานะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นอิสระนะจิตเขาเป็นอิสระที่เขาจะทําอะไรก็ได้เราไม่สามารถไปบังคับบัญชาได้เราจะไม่คิดไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามปรากฏการณเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยแรกๆให้กลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวเรื่อยๆบ่อยๆนะตรงนี้จะทําให้เราเกิดความชํานาญนะความรู้สึกตัวก็จะฉับไวขึ้นชัดเจนขึ้นนะเมื่อความรู้สึกที่กายชัดแล้วเนี่ยนะ มันก็จะเข้าไปดูความรู้สึกที่เป็นความความสุขความทุกข์นะความที่เป็นเฉยเฉยใจเป็นกลางๆเนี่ยนะมันจะเริ่มเข้าไปเห็นในสิ่งเหล่านี้นะลหมหายใจกระพริบตาแล้วก็สิ่งที่ใจมันคิดมันนะึกนะมันก็จะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นแล้วมันก็จะัวกับความคิดมันจะทันกับความคิดแต่ก่อนเคยคิดร้อยเรื่องเนี่ยเราไม่ทันเลยนะ พอความรู้สึกตัวมันชัดเนี่ยมันอาจจะรู้ทันสักเรื่องหนึ่งอ่ะอีก99เรื่องไม่รู้ไม่เป็นไรนี่แสดงว่าส ต, ติเราเริ่มพัฒนาขึ้นเราก็ทําไปความรู้สึกตัวกับกายเนี่ยไปบ่อ ย, อยนะเดี๋ยวมันคิดสักร้อยเรื่องอเราจะรู้ทัก5้าเรื่องนะไม่รู้อีก9ก้าบห้าเรื่องอันนี้มันจะแสดงถึงพัฒนาการนะที่เราจะเห็นได้นะแล้วบางทีมันก็มีความรู้สึกปอดโปร่งบ้างหนักขัวบ้าง ความง่วงเข้ามาบ้างฟุ้งซ่านเข้ามาบ้างอันนี้มันจะสลับไปสลับมามันจะแสดงตัวของมันสารพัดนะเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาก็มีความคิดว่าเออมันมีคณิตคณิตศาสตร์พิศวงอันหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นร้อยแปดก็คือไอ้ใจที่มันมันโดนความหลงหรือความไม่รู้ตัวเข้าไปเนี่ยมันก็จะคิดไปรนะ้อยแปดพันเก อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะที่เกิดขึ้นแต่เมื่อได้การตามที่หนะึ่งบวกหนึเท่ากับศหมายถึงว่าใจมีสติมีความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันก็จะเกิดการปล่อยวางนะใจก็จะเป็นปกตินะไม่มีเรื่องราวอะไรนะ น, นี่ก็เป็นคณิตพิสวงที่ออแปลกดีเหมือนเมื่อช้าตืต่นขึ้นมาแล้วก็เออนะก็สังเกตดูใจของตัวเองขณะที่ตื่นขึ้นมา เพราะนั้นตัวความรู้สึกตัวเนี่ยนะเป็นเครื่องมือสำคัญนะที่จะทำให้เราเข้าไปเรียนรู้นะกายนะความรู้สึกสุขทุกข์ความเป็นปกติเฉยๆที่เรียกว่าเวทนานะที่เรียกว่าเวทนานะแล้วก็สิ่งที่ละเอียดเข้าไป ก, ก็คือความคิดนะที่มันไวนะแต่จริงๆความคิดเนี่ยคนที่ฝึกปฏิบัติอย่างแค่คข้ของแล้วก็จะดูว่าเป็นเป็นของหยาก แต่สำหรับคนเริ่มต้นใหม่ก็จะเป็นเป็นของที่เราไม่ทันมันเพราะนั้นความรู้สึกตัวที่ที่เราพัฒนาจากความรู้สึกตัวที่กายเนี่ยมันจะพัฒนาไปรู้เวทนารู้รู้จิตก็คือความคิดนะที่เป็นความคิดปรุงแต่งนะในเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องในอดีตเรื่องอนาคตหรือแม้แต่เรื่องปัจจุบันนะคิดถึงความสุขเก่าๆคิดถึง เรื่องเก่าๆหรืออาจจะมองไปถึงอนาคตว่าจะมีความสุขอย่างไรนี่นี่มันก็เป็นสิ่งที่จะปรุงแต่งขึ้นมาถ้าความรู้สึกตัวเราไม่ชัดเนี่ยเรื่องมันก็จะยาวนะแล้วบางทีเราเดินจงกรมไปหรือนั่งสร้างจังหวะไปใจเราก็ลอยไปนะมันก็จะมีอาการมึนหัวหนักหัวขึ้นมาอันนั้นแสดงว่าเราไม่ทันแล้วนะเราไม่ทันกับความคิดอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะสังเกตได้เพราะฉะนั้น ธรรมชาติเนี่ยเขาจะแสดงตัวของเขาอยู่ตลอดเวลาให้เรามันสังเกตให้เรามันดูนะก็คือใช้สติเนี่ยใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยนะถ้าเราดูชัดเห็นชัดแล้วเนี่ยมันจะไม่จมเข้าไปในความคิดไม่จมเข้าไปในอารมณ์ที่มันเกิดนะเราก็ไม่ต้องสุขทุกข์เราถอยอามาเป็นผู้ดูเฉยๆนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ได้การเจริญสติมีความเพียรพยายาม นะตรงนี้เป็นเป็นเป็นจุดสำคัญเด้ไปอ่านหนังสือพชชงเจตของเจ้าคุณประยุทธนะ์องค์ธรรมองค์แรกก็คือสตินั่นแหละนะสติคือความรู้สึกตัวนี่แหละนะเมื่อมีสติก็มีธรรมวิจยะก็คือการสอดส่องสิ่งที่เกิดขึ้นนะว่ามันมีความเป็นไปอย่างไรนะแล้วก็มีความเพียรพยายามลงไปนะ จนสุดท้ายเนี่ยจิตเป็นปกติก็คือเบรคขานะนี่เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยนะถ้าดูในหลักวิชาการก็ตรงกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเรามีความรู้สึกตัวที่กายที่เวทนาที่จิตแล้วนะปรากฏการต่างๆหรืออาการต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนัก็จะเป็นเป็นธรรมชาติที่แสดงตัว นะนั่นก็คือธรรมานุปัสนาะซึ่งเป็นกายเวทนาจิตธรรมเมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้เราก็จะไม่หลงเข้าไปในอารมณ์ในความรู้สึกในความคิดนะเราก็เป็นเพียงผู้ดูนะอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านชอบพูดอยู่เสมอว่าเป็นเพียงผู้ดูแต่อย่าเข้าไปเป็นผู้เป็นนะการที่จะไม่เข้าไปเป็นผู้เป็นนั้นเราไม่ได้เราตัวเราเอง ไม่ได้ไปสั่งให้ไม่เป็นหรือเราพยายามถอนตัวออกมาแต่สติเขาจะทางานนะสติที่เราฝึกไว้เนี่ยเขาจะทํางานโดยอัตโนมัติของเขาแรกแรกมันก็ยังไม่อัตโนมัติแล้ก็เจตนาเข้าไปแต่ทําบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติมันจะรู้ทันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คื อ, อ, อความคิดต่างๆนะแล้วก็อารมณ์ต่างๆนะที่เราเคยชินเราเคยชินที่จะโกรธ ที่จะหงุดหงิดอันนี้ไอ้ตัว น, นี้มันจะแสดงตัวออกมาถ้าสติมันชัดเนี่ยมันจะรู้ทันเลยแค่กลุนขึ้นมาเนี่ยมันก็รู้ทันแล้วสิ่งนี้ก็จะเ ป, เป็นตัวที่จะเข้าไปแก้ไขอาการต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นเข้าไปปรับสมดุล ข, ของใจที่อาจจะถลำลงไปในความคิดถลำลงไปในอารมณ์ต่างๆ นะมันก็จะไม่ถลําลงไปอย่างน้นอยๆมันก็อยู่เหมือนอยู่บนฝั่งแล้วดูน้ามันไหลไปนะเป็นกระแสของอารมณ์นะที่จะไหลผ่านการที่เราทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะทำได้บ่อยๆทำได้เรื่อยๆนะก็จะทำให้จิตจิตของเราซึ่งมันปกติอยู่แล้วเนี่ยนะมันก็จะแสดงความเป็นปกติของมันชัดเจนขึ้นเราไม่ได้ไปทำให้ใจปกตินะที่เรามาฝึกเนี่ยใจมันปกติของมันอยู่แล้ว แต่ที่ไม่ปกติเพราะว่าความคิดอารมณ์ต่างเนี่ยมันเข้ามาบดบังชัวง่วคราวเมื่อเรามีสติชัดเนี่ยความคิดหรืออารมณ์ต่างก็ไม่สามารถที่จะบดบังความเป็นปกติของใจได้ความเป็นปกติของใจนี่เองนะเป็นสิ่งที่ช่วยทวงดุล น, นะไม่ให้เราทุกข์เกินไปสุขเกินไปนะแม่เราทุกทุกสุขสุขนะที่ เรียกว่าสังสารวัตรนะก็คือการเวียนเวียนเวียนทุกเวียนสุขนะเรือเวียนเกิดเวียนตายนั่นเองนะเนี่เป็นส่วนที่จะรักษาตัวเรานะให้เป็นปกตินะไม่ไม่โกรธเกินไปไม่โลภเกินไปนะถ้าถึงที่สุดแล้วนี่ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเลยนะซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่าความโกรธนี้ก็อาจจะมีอยู่ แต่มันเข้ามาครอบงำใจเราไม่ได้มันอยู่ห่างๆเราเห็นอยู่นมันเกิดเราเห็นอยู่แต่บางคนเนี่ยพอมันเกิดปุ๊บเรามีสติทันเนี่ยมันหายปุ๊บไปเลยนะมันสามารถที่ทำได้ขนาดนั้นอนะนี้ก็เป็นสิ่งที่เออเป็นประโยชน์นะจากการที่ได้ฝึกนะเจริญสตินะด้วยวิธีการาสติปัฏฐานสี่นะตามแนวทางของหลวงพ่อเทียนนะที่ ที่ใช้วิธีการเคลื่อนไหวนะเป็นอุบายหรือเป็นเทคนิคนะในการที่เราจะปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมานะซึ่งว่าไปแล้วนะ่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะนะกับคนที่ต้องเคลื่อนไหวนะต้องทําการทํางานต้องไปนู่นมานี่โนะดยเฉพาะคนในยุคปัจจุบันนะที่ไม่เหมือนกับยุค ยุคแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นสังคมเกษตรกรรมมีเวลาที่จะทําอะไรได้เรื่อยๆเอย่อยๆไม่ต้องรีบร้อนแต่ปัจจุบันนี้ชีวิตเป็นสังคมอุตสาหกรรมเป็นสังคมเทคโนโลยีนะที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการฝึกเจริญสิกับการเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเราฝึกในรูปแบบได้นะชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็จะติดตัวไปนอกรูปแบบ เราจะทำการทำงานอะไรเราก็มีสตินะไปไปกับการงานนั้นนะบางทีถ้ายังยังไม่ไม่อัตโนมัตินะมันก็มีเผลอบ้างถ้ายังไม่ถึงที่สุดมันก็มีเผลอบ้างแต่เราก็มีสำนึกนะมีความระลึกอยู่ว่าเออจุดที่เราจะทำนั้นอยู่ตรงไหนที่พักของใจอยู่ตรงไหนเรารูนะ้นี่ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เรารู้ที่พักของเรา แล้วก็คือความเป็นปกติของจานั่นเองแล้วก็รู้วิธีการนะที่จะปล่อยวางความคิดปล่อยวางความหนักอกหนักใจลงได้นะซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถจะทำได้นะไม่ใช่เป็นสิ่งเหลือวิสัยนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดูแล้วทาไม่ได้นะทุกคนสามารถจะทำได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ มันจะเกิดศรัทธาได้ก็ต่อเมื่อเราทำแล้วเกิดผลนะเป็นศรัทธาที่ไม่เปลี่ยนแปลงแรกๆเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์แล้วก็มีความศรัทธาแต่เราทำแล้วบางทียังไม่ได้ผลก็อาจจะย่อหย่อนไปบ้างนะแต่ถ้าเราทำไปบ่อยๆจนเกิดผลนะความศรัทธามันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนได้นะถ้าได้มีความเพียรพยายาม ในในการที่จะทำทีนี้ในช่วงของการทำก็แน่นอนละมันก็มีอุปสรรคต่างต่างที่มาขัดขวางนะที่เราเรียกว่านิวรณนะ์สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งแล้วแต่บางคนก็ง่วงนอนมากบางคนก็ฟุ้งซ่านมากบางคนก็สงสัยลังเลเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยมาสร้างจังหวะอย่างนี้นะ มีหลายคนนะมีเพื่อนหลายคนเท่าที่เคยได้พบได้คุยเนะี่ยเขาบอกเป็นไปได้เหรอมีครูบาอาจารย์บางสํานักบางแห่งก็บอกเป็นไ ม, ไม่ได้หรอกมันตื้นๆนะวิธีการแบบเนี้ยมันจะไปรู้ได้อย่างไรนะฉันเคยจะพื้นชวนรุ่นน้องคนหนึ่งเข้ามาเขาบอกก็าไปฟังจากครูบาอาจารย์บางรูปก็บอกเป็นไ ม, ไม่ได้หรอกให้มันนั่งสร้างจังหวะเนี่ยโอ้มันต้องนั่งหลับตาต้องได้ฌาน สี่ได้เข้าชาญอะไรก่อนอะไรอันนั้นก็แล้วแต่นะก็เป็นวิธีการหรือเป็นความเชื่อนะของแต่ละบุคคลแต่สิ่งที่จะถูกหรือไม่ถูกเนี่ยเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองคนพูดเนี่ยเราก็ฟังได้นะแต่มันจะถูกไม่ถูกมันก็อยู่ที่การพิสูจน์ของเราแล้วมันเกิดผลอันนั้นแน่นอนกว่าไปฟังเขาบอกถูกไม่ถูกบางทีเราก็สงสัยลังเล เพราะนั้นเราต้องพิสูจน์ด well ้วยตัวเราเองถ้าเราพิสูจน์ด้วยตัวเราเองแล้วมันเกิดผลนั่นแหละนั่นคือความจริงคนอื่นาจะบอกไม่ถูกก็ก็เป็นเรื่องของเขาก็ไม่ถูกของเขาแต่ว่าถูกของเราแต่การพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเรายึดมั่นถือมั่นในความคิดของเราแต่เราพิสูจน์ด้วยตัวเราเองแล้วว่ามันเกิดผลอย่างนี้จริงๆมันเป็นไปได้จริงๆส่วนคนที่ก็ไม่มาพิสูจน์ก็แค่มองๆดูเพียงภายนอก แล้วก็บอกเป็นไปไม่ได้มันไม่มีในตำ ร, ร, ราอะไรต่างๆเนี่ย ก, ก็เป็นเรื่องของเขาละนะเราก็พิสูจน์ด้วยตัวเราเองนะมันก็จะเกิดความมั่นใจเกิดความศรัทธาแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งว่าถ้าเรามีความมั่นใจอะไรว่าถูกต้องหมดนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าออบางทียังไม่ถึงที่สุดแต่เราเพก็งเข้าใจว่าถึงที่สุดแล้วเหมือนตัวกระผลนิธรามาเอง สมัยที่ไปฝึกกระหลงพระเทียนใหม่ๆนะรู้จักรูปนามขั้นเบื้องต้นเท่านั้นแหละก็คิดว่าถึงที่สุดแล้วนะแต่พอไปใช้ชีวิตจริงๆมันก็ยังร่มลุกคุกขานนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวนะเท่าที่สังเกตเนี่ยถ้าฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นตัวเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีอะไรนะมีอะไรหลายอย่างที่เรา ไม่ดีอยู่ในตัวเราเยอะเลยแล้วมันแสดงตัวออกมาเนี่ยนะมันก็เป็นการที่ทำให้ทำให้ตัวเราเนี่ยไม่ไม่หยิ่งปยองเกินไปนะที่เรียกว่ามรณนะทิฐิอะไรเหล่านี้นะก็ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเป็นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่สําคัญมั่นหมายว่าตัวเองรู้แล้วเข้าใจแล้วถึงที่สุดแล้วนะซึ่งตรงนี้ต้องระวัง ตัวกระผมนิธมาเองก็ก็มีอย่างนี้อยู่นะยิ่งมาอยู่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยเป็นวัดที่หลวงพ่อท่านมีใจเมตตาและให้ทุกคนเนี่ยมาอยู่และแต่ละคนเนี่ยก็มีนิสัยใจคอไม่เหมือนกันนะการที่ปล่อยให้แต่ละท่านมีอิสระเสรีนะั้นก็เป็นการให้ได้แสดงธรรมชาติของตัวเองออกมาซึ่ง คนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยบางทีในใจเนี่ยก็มีเหมือนกันคิดคิดกระทบกระทั่งขัดเคืองใจนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบนะทดสอบว่าที่เราฝึกไปเนี่ยมันใช้ได้ไม่ได้นะบางทีมีคนหน้าใหม่ๆเข้ามาเอ๊ะทำอะไรก็ไม่รู้นะไม่ค่อยถูกใจเราเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะเนี่ยเราก็กลับมาดูตัวเราเองนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นสนามทดสอบได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะการที่มีผู้คนมาจากหลายที่หลายแหง่งแล้วก็นิสัยใจคอไม่เหมือนกันทำอะไรได้โดยเสรีบางทีก็ขัดอกขัดใจเราบ้างนะอันนี้ก็ต้องค่อยค่อยปรับตัวเราปรับจิตปรับใจของเราเรียนรูนะ้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะในปัจจุบันอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็ปรับจิตปรับใจด้วยการกลับมารู้สึกตัว อยูเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ให้เราได้คืนสู่ความเป็นปกติได้ไวนะแล้วก็สิ่งสาคัญก็คืออย่าประมาทก็คือถ้ายังไม่ถึงที่สุดอ ย, อย่าประมาททีเดียวนะนี่เป็นสิ่งที่ได้จากประสบะการณ์ตัวเองนะบางครั้งเราก็ประมาทเกินไปเราคิดว่าเรารู้แล้วเราเข้ใจแล้วนะเราถึงที่สุดแล้วแต่จริงๆมันหลอกตัวเองนะอันนี้ตัวกระผมนิธรมาเองก็ ก็เจอกับตัวเองอยู่นะสิ่งทีม่มันบอกได้ว่าเรายังไม่ถึงที่สุดเรายังไม่ไม่ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดนั้นก็มันจะแสดงออกมาถ้าเราเจอเหตุการณ์ต่างแล้วใจเรายังไม่เป็นปกติขึ้นขึ้ น, นลงลงนะนี่มันแสดงไดนะ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นเป็นตัวบอกสัญญาณเป็นสัญญาณที่ที่เขาจะบอกเราเราก็ สิ่งที่สิ่งเหล่านี้นก็จะเป็นสิ่งที่จะบอกว่าเอเราจะต้องพัฒนาต่อไปนะเราจะต้องทำต่อไปนะเราอย่าไปเผลอเราอย่าไปย่อย่อนนะสิ่งนี้ เ, เป็นสิ่งสิ่งที่จะบอกเราเพราะฉะนั้นัูกพะปรนวลธรายเองก็ชอบในคำพูดของหลงวเพาอคาเขียนนะท่านบอกว่าครูบาอาจารย์ที่แท้ จ, จริงก็คือตัวเรานั่นแหลนะความผิดพลาดเป็นบทเรียน นะครูบาอาจารย์ไม่สามารถที่จะอยู่กับเราได้ตลอดนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเราเองหรือแม้แต่หลวงพ่อเทียนเองนะคุณหมอวัฒนาเคยถามว่ า, เ, าเมื่อสิ้นหลวงพ่อไปแล้วจใจเปลี่ยนเรียนรู้กับใครใครจะเป็นครูบาอาจารย์ที่สามารถสอนแทนหลวงพ่อได้บ้างหลวงพ่อก็บอกก็ตัวเองแหละนะตัวเราเองนั่นแหละนะมันจะสอนตัวเราเองนะเรียนรู้จากตัวเราเองนั่นแหละ นะอาศัยความรู้สึกตัวริสติที่เราฝึกมานั่นแหละนะอันนี้จะเป็นครูที่แท้ จ, จริงแต่ในขณะที่เราอยู่ที่วัดป่าสุขโ ต, โตเนี่ยนะนอกจากเราจะพึ่งตัวเราเองแล้วบางครั้งการทําด้วยตัวเราเองบางทีมันก็ตันเหมือนกันนะมันก็ต้องใส่ครูบาอาจารย์ใส่กัลยาณมิตรนะหลวงพ่อคําเกียนหลวงพ่อคมพระอาจารย์ทรงศิลปนะ์ซึ่งท่านก็ยินดีนะที่จะเป็น กัลยาณมิตรหรือเป็นเพื่อนนะขณะที่บางทีมันตันนะมันก็เราก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะบางทีมันก็ตันเหมือนกันก็บางทีท่านเดินผ่านมาหมายถึงท่านมีประสบาการณ์ในการปฏิบัติเนี่ยท่านก็อาจจะแนะและเราก็สามารถที่จะไปทำได้เร็วขึ้นนะนี่ก็เป็นเป็นสิ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยทั้งตัวเราเองอาศัยครูบาอาจารยนะ์ทั้งสองส่วนนะถ้าเราอยู่ที่นี่ นะก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสดีนะที่เราจะใสสภาพแวดล้อมนะเกื้อนหนุนนะให้การเดินทางนะของการเทเลสตไิได้พัฒนาไปนะโดยเฉพาะคนที่มาที่นี่นะไม่ว่าจะเข้าอบรมเข้ม40วันหรือจะไม่อบรมเข้ม40วันก็ตามนะเมื่อมาที่นี่แล้วเนี่ยสิ่งที่ควรจะได้รับกลับไป นันก็คือความรู้สึกตัวนี้เองนะให้รู้จักความรู้สึกตัวความเป็นปกติของใจนะนี้เป็นสิ่งที่สภาพแวดล้อมของป่าสุกโตเนี่ยจะก่อให้เกิดตรงนี้ถ้าเราไม่ละเลยนะเราไม่ละทิ้งนะภาร ก, กิจตรงนี้ตัวกผมนี่ทำไมเองที่มาบวชเนี่ยก็มีความตั้งใจนะมี ความตั้งใจที่อยากจะมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะส่วนการงานอื่นๆนะแล้วก็แบ่งเวลานะในการที่จะช่วยนะสังคมหมู่กลุ่มต่างๆนะ ก, ก, ก, ก็ทำทั้งสองส่วนนะเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านไปพร้อมๆกันนะก็เท่าที่เล่าสู่กันฟังนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์บ้างนะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยน ประสบาการณ์กันนะมีอะไรที่โัวกัปปมนิตามาเองนะได้พูดไปไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณนะ์ก็หวังว่าครูบาอาจารย์จะได้เมตตานะตักเตือนชี้แนะนะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่โัวกัลมนิตามาเองจะ เ, เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรของผู้ปฏิบัติได้บ้างนะก็ยินดนะีที่จะพูดคุย เป็นเป็นกลนาลยานมิตรกันเท่าที่สติปัญญาจะพึงมีนะถ้ามันเกินสติปัญญาก็า จ, จะอบอกไม่ได้นะก็เท่าที่สติปัญญาพอจะทำได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะสนับสนุนนะชักชวนพวกเราให้มาทำเรื่องนี้นะก็คือเรื่องเจริญสติเนี่ยเป็นภารกิจอันดับหนึ่ง นะของการมาอยู่ป่าสกุโตนะใครที่ยังไม่ได้เจริญสติเลยเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วให้มาเริ่มทำได้ลนะ้หรือถ้าใครทำอยู่แล้วนะก็พยายามทำใ ห, ให้ดีขึ้นให้มากขึ้นนะนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะในท้ายที่สุดนี้นะครับก็ขออนุโมทนาในความตั้งใจของพวกเราที่ได้ม า, าฝึกเจริญสติเนะพื่อเอาไปใช้กับชีวิตจริง แล้วก็ขอให้ความเพียรพยายามของทุกท่านเนี่ยจะได้ประสบผลสำเร็จนะก็คือได้สัมผัสกับความเป็นเปิัติของใจมีสติสัมปชัญญะในปัจจุบันนี้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทิญเจริญพร